นาวค่ะก็มารบกวนให้หลวงตาสอนเบื้องต้นค่ะเพราะว่าตอนนี้คือก็มีมีพื้นฐานมาบ้างในการภาวนาอะไรเงี้ยค่ะในการดูความรู้สึกตัวเองแต่ว่าบางทีก็รู้สึกว่าในความที่เราทํางานตลอดแล้วเราไม่มีเวลาที่เราอยู่กับตัวเองเท่าไหร่ก็เลยพยายามที่จะดูไปด้วยทํางานไปด้วยแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้อะค่ะเพราะว่าพอเราตั้งใจทํางานมากเหมือนเราก็ลืมไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้หลวงตาแนะนำว่ามันควรจะเป็นยังไงในการที่เราสามารถ ทำงานทั้งวันไปด้วยแล้วก็มีสติรู้ทุกอย่างตลอดช่วงเวลาที่ทํางานไปด้วยอะคะ่ะเราปฏิบัติโน้ปฏิบัติยังไงก็เหมือนดูความรู้สึกของเราอ่ะคะ่ะแล้วก็ความรู้สึกที่เราเห็นก็เหมือนปล่อยมันไปว่ามันไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องไปยึดมันไวนะคะ้ค่ะก็พยายามรู้ตัวว่าเออเรากําลังรู้สึกอะไรมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะตอนนั้นแล้วก็ปล่อยมันไปเนะะี่นยค่ะหนูเคยวิญญาณบำบัหน้าเปื่องผูกพราอะไรนะหไหมหนูเคยทำมั้งหมยังยังไม่เคยทําแบบจริงจังนะคะ่ะ ยังไม่เคยเนาะคือคุณพ่อเคยให้ลองดูที่เป็นคลิปหนึแต่ว่าก็แต่ก็ดูดูคิปเดียวค่ะไม่ไม่ได้ดูเยอะเพราะรู้สึกว่าตอนนั้นก็ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะก็เลยคิดว่าเออยังยังไม่ต้องทําตรงนั้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องลองเลยต้องลองเูยว่าพินาศกายเป็นโครงกระดูกให้ให้เป็นโครงกระดูกผู้พังทลายเหมือนกับโครงกระดูกอะจันใหญ่โรงบานเคยเห็นไหมโคงกระดูกที่มันห้อยตามโรงบานดูโคงกระดูกแล้วมันคิด ให้มันผูฟังกี้เท่าเป็นขี้เท่าไปธุรีไปม่ลองดูอย่างนี้ไปก่อนก็ได้แล้วป่ะถามันเห็นจิตแชท ก, ก็เห็นจิตไปด้วยแ ต, แต่อย่างบางทีเวลาแบบมะนาวเห็นอย่างสังเกตชีวิตทั่วๆไปแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือเห็นความเจ็บป่วยของคนรอบข้างหรือเห็นความทุกข์ของคนอื่นที่เขาพยายามดิ้นรนอะไรอย่างนี้ยค่ะมันทําให้เราเห็นความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆวันแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งคือมันทําให้เรารู้สึกเหมือน เหมือนมันหดหู่ไปด้วยอ่ะค่ะแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันจะจะแก้ตัวนี้ยังไงค่ะอันนี้ถูกต้องแนละ้วเราเห็นแต่ความจริงความจริงความจริงอย่างนั้นไนะแต่หดหูต้องตัดออกได้ <c oughs> ค่ะหดหูจากใจก็ต้องตัดออกอย่าให้มันมีอารมณ์ข้อแทรกได้ราว่าหนูวิจารณ์อย่างเงี้ยเห็นแต่จะทําความจริงของความไม่เที่ยงของของชีวิตจริงๆเลยเห็นจากของจริงอะ่ะไปโรงพยาบาลก็มีแต่ความปวดโ อ, ดโอยทุกทรมาน ชีวิตในโลกดูข่าวสารก็มีแต่ความทุกข์ชีวิตเกิดมามีแต่ความทุกข์ทุกหาอยู่หากินไม่พอกินไม่พอใช้ทุกอัจฉากรทุกต่างๆสารพัดคนเกิดมามีแต่ความทุกข์แต่แต่บางทีมันรู้สึกว่าเราเราหดหูแล้วเราก็แบบเบื่อกับตรงนั้นจนบางทีแบบพยายามแบบเออไม่ต้องไปคิดมันแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราไม่ชอบความรู้สึกที่ว่าพอคิดพอเราเห็นแล้วมันแบบมันหดหูมันเบื่อหน่าย เราอหัราก็สลัดออกจากใจแล้วเรพิจารณาแบบเนี้ยตําๆๆ้ำๆเราก็สลัดความโหนหัวอจากใจสลัดความโหนหัวจากใจแล้วก็พิจารณาซ้ำๆ้ำๆๆอางเงี้ยพิจารณาสิ่งที่หลอบตัวเองไงแล้วก็พิจารณาตัวเราเนี่ยให้มันต้าๆๆ้ำๆเปรียบเทียบนะเอาตัวเราไปเปรียบเทียบข้านอกเอาข้างนอกมาเปรียบเทียบตัวเราให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ไม่เจี่ยงไม่ช้าเราก็ก็ผูกพังสลายไปคนหนึ่งก็ต้องผูกพังสลายไปพ่อแม่พี่น้อง ทุกคนก็ผูกังสลายไปในโลกนี้ไม่มีใครยั่งยู่ที่เกิดมาล้วแต่เป็นเสียงแค่สมมุติบางทีมันเห็นแค่ใบไม้อไม่ต้องเห็นคนแล้วหน้าแรงแบบเนี้ยใบไม้ร่วงจากต้นพิ้วิ้วพิ้วพิ้วพินนี้บางทีใจมันก็ปงสลดสังเวทแล้วมันไม่เหมือนกันนะหดหดอูเนี่ยหดอูมันลักษณะแบบซึมเศร้าแต่ถ้าปงสลดสังเวทมันรู้สึกจิตมันเหมันเหมือนคล้ายๆกันแต่มันจิตมันมันปงปล่อยวาง มันเหมือ น, นหดตัวลงมาหดตัวเข้ามาจี่ม็นหดตัวเข้ามาจากความผูงสั้นได้ๆทั้งหลายแล้วมันเหมือนทํามันเข้าแทงเข้าไปในเตียดเข้าไปในใจเห็นว่าพอเห็ในใบไม้มันร่วงตามๆกันมาเวลาลมพัดอ่ะมันถ้าไปทันคิดเริ่มเป็นความรู้สึกออกมาจากใจเลยว่าคนที่มาก่อนลาปูา่ย่าตายายทวดพ่อแม่จากเราไปหมดแล้วเหมือนใบไม้ที่ร่วงเนี่ยต่อมาลูกหลานเนี่ยลูกก็เริ่มเป็นใบแก่หลานก็เริ่มเป็นใบอ่อน ไม่ชา้าใบแก่ก็เป็นใบใบแห้งแล้วก็ล่วงหลนไม่ชา้าใบอ่อนก็เป็นใบแห้งแล้วล่วงหลนมันนายแก่แล้วก็ร่วงไปแล้วก็แก่แล้วก็ร่วงไปใบอ่อนก็ค่อยแตกรวนใบแก่แล้วก็ล่วงไ ป, ไไงไปที่สุดก็พยอยร่วงมาไต่ล่วงมาไต่โอ้ทุกชีวิตก็เป็นแบบนี้ยทุกชีวิตก็เป็นแบบนี้ยใจมันก็ปรองจากความหลงยึดบ้านถือมั่นใดๆในโลกหลงยึดมั่นถือบ้านทั้งสังขารร่างกายตัวเรามันก็สา ม, มารถบรรลุได้เหมือนกันจิตเดิมแท้ๆไม่มีเพศมีแต่ ขันห้าที่มีเพศมีแต่ร่างกายที่เป็นเพศแต่จิตเดิมแท้มันเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมีแต่ความรู้ไม่มีเพศแต่นั้นบรรลุสามารถบรรลุอรหันต์ในเพศผู้หญิงได้บรรลุอรหันต์ในเพศผู้ชายได้ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ใจมันไม่มีเพศใจไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่จิตเดิมแท้มีแต่ร่างกายที่เป็นเด็กผู้ใหญ่เป็นผู้หญงผู้ชายอันนี้เราไปการเดินเดินทางในภพชาติเวียนวนไม่จบสิ้นทิมเป็นต่อไปอีกยาวนาน จึงควจะหมดพบจานหมดหม ด, หมดกรรมไปอันเนี้ยไม่แน่แล้วหรอกบางทีเนี่ยเห็นจากไม่ต้าเห็นจากคนก็ได้ในสมัยพุติการมีพิกซุนีเนี่ยบวชเมื่อแก่แล้วเวลาพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมอยู่ข้างไม่ไกลจากวัดมากพวกกำนักพิชซุนีทั้งหลายเขาก็ไปเฝ้าพุทธเจ้ากันหมดเลยเขาก็ประชุมปึกษากันว่าควรให้พิกซุนีแก่เนี่ยเป็นคนเฝ้าวัดเพราะว่ามาบวชเมื่อแก่แล้วไปฟังพุทธเจ้าก็ โอกาสจะฟังธรรมมันจะยากแล้วก็ที่จะบรรลุอรหันต์ยากก็ให้พิษุนีแก่เนี่ยเฝ้าวัดคนอื่นก็ไปฟังธรรมพระเจ้าหมดเลยแล้วก็ตัวเองก็ถูกให้เฝ้าวัดพอคนอื่นไปหมดแล้วก็ตัวเองก็รู้สึกว่ามันคงจะผิดขู่คงจะคือคุณตัวเองเบื่มาเมื่อแก่แล้วก็ปรารถนาพระนิพพานแต่นี่พระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังไม่มีโอกาสได้ไปฟังธรรมเลยเพราะถูกใช้ว่าแก่แล้วมันไปก็ไม่ทันแล้ว ไปฟังทํากับพระเจ้ากลับออกมาก็ปฏิบัติทําไม่ทันละเขาก็ใช้อะไรเลยใช้ให้ผ่าฟืนใช้ให้ต้มน้ําใช้โ น, ใ ช, นใช้นี่นะอะเตรียมไว้นะเดี๋ยวเขาจะกลับมากันทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าจิตมันไปนําสลดลงมา ม, มันหดตัวลงมาเนาะก็เลยตักน้ำล้างเท้าจะขึ้นกุฏิอ๋อน้ำลาดเท้าขันแรกน้ำมันก็ไหลหไปตามพื้นดินแล้วมันก็แห้งหายไปจิตมัน ตกตะลึงเลยนะสังขารไม่เจี่ยงเหมือนกับมาจากดินก็กลับคืนสู่ดินพอรถลาดขันที่สองก็มันก็ไหลไกลออกไปอีกผู้มาที่หลังเหมือนกับผู้ที่มาถัดไปก็ก็ที่สุดก็จะจะช้าหน่อยแต่ก็ที่สุดก็ดับไปเหมือนกันพอรถขันที่สามเนี่ยมันก็ไหลไปอีกแล้วเหมือนกับชั้นลูกชั้นหลานเนี่ยที่สุดก็แม้มันจะชั้นหลานจะไหลไปไกลหน่อยก็ ซึมหายไปได้ดีทุกคนวันจาดินกลับคือสู ด, ดินหมดไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้บราารลุอรหันต์ขนาดที่เอาน้ํำลาดเท้าเนะี่ยคนอื่นเขาไปฟัพระเจ้ากลับไปยังไม่รู้อาหารหันต์เลยแต่กลับมาคนนี้รู้อาหารหันต์แล้วใช่ไหมเออถ้าเห็นพิจาณาความจริงอย่างนี้แล้วหนูปลงปล่อยวางได้น้อยคนที่จะมิจิตเจอเห็นแล้วปลงปล่อยวางสนใจคนก็ไม่เคยรู้สึกแต่คนที่รู้สึกเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยตามโรงพยาบาลเห็นคนผู้เฒ่าผู้แก จิตมันกะโปรงไฟวางว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้เราจะโลภไปถึงไหนจิตมันก็โปรงไฟวางแต่ความหลงยึดมั่นก็บรรูุ้อรหันต์ได้นะเวลาเรารู้สึกแบบนี้อะค่ะแล้วเรายังต้องไปทํางานที่เราเห็นว่างานที่เราทําอยู่คือคนเล่าข้างทํามันเพื่อเพื่อความยึดมั่นถือมั่นที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทั้งในตัวเงินทั้งในตัวหน้าที่การงานครอบครัวทั้งหมดนะคะมันทำให้รู้สึกว่าเวลาเราไปอยู่ในนั้นบางทีเราอึดอัดอะคะ่ะลวงตาเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเอ้ย เราเห็นว่ามันไม่มันไม่มีความยึดมั่นถือมันในสิ่งนั้นหรือว่าเงินที่เขาทํางานกันมามันก็ไม่ได้เป็นแบบสิ่งที่เราจะเอาไปได้เมื่อเราแบบตายไปไงค่ะแต่พอหนูต้องไปอยู่ในที่ทํางานที่ที่เห็นว่าคนรอบข้างทุกคนเนี่ยดิ้นรนเพื่อสิ่งนั้นมันก็เลยแบบบางทีมันก็อึอดอัดอ่ะคะ่ะไม่รู้ว่าจะแก้ตรงนี้ยังไงอะค่ะเออก็เราก็ต้องเห็นว่าคนอื่นเขาเป็นอวิชาอยู่ก็ปล่อยกั็ไปเถอะเออคนอื่นเขเป็นอวิชาอยู่เราก็จะไปอึดอัดกับเขา แต่เราเนี่ยก็หาไปเพราะเราต้องมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก่อนขันห้ามยังไม่แตกดับเราก็หาไปเอะแต่เราหาแล้วก็หาไปตา้งกาลังความสามารถเราหาได้เท่าไหร่ก็หาไปเอะแต่เราก็ไม่ยึตดติดสิ่งที่หาได้มาก็ใช้เพื่อความสะดวกสบายแค่ในในชาตินี้เท่านั้นเองเราไม่ได้ไปใช้ได้หรอกไอ้ที่เงินทองอ่ะขนไปไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองครอบครัวขวนไปข้ามภพข้ามชาติไม่ได้มันลงตาเนี่ยมีทุกอย่าง ในที่ดินในกรุงเทพเป็นพวกสาวัวนาคณะเลื่อนเงินจะเป็นเขาให้เป็นเป็นเลื่อนเป็นรองอธิบดีเขาให้เป็นอธิบดีไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขาก็พยายามจะมาเอามาให้เพราะมันถึงคิวจะได้เลื่อนเงินเป็นหัวหน้าคณะสาอุทธรภาคหนึ่งเนี่ยมีหมดแหละที่ดินอพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพรถลาบ้านช่องตึกมีให้เขาเช่าไม่หมดแหละแล้วก็สับสมบัติเครื่องลาดสายสะพายได้จนถึงสูงสุดแหละ มีทุกอย่างอ่ะดวงตาก็หานะอ่าพอะไรก็จะลองดูดีว่าเอ้มมีความสามารถสอบเป็นผู้อาสาได้ไหมอ๋อมันก็สอบได้เนี่ยอ่เราตั้งใจจริงก็สอบได้เอก็สอบได้แล้วเราก็หวังแค่เป็นเราก็คิดว่าเอ้สอบเป็นผู้อาสาก็โอ้ได้ก็พอแล้วแล้วก็พอใจแล้วโอ้ยยังเลื่อนขึ้นไปโน้ตเลื่อนขึ้นไปเรื like ่อยๆตามตามลำดับนะเลื่อนเป็นรองอธิบดีไปเป็นอธิบดีเราก็ไปเซ็นออก เขาเลยบนใหญ่เลยพวกรองประธานสันติกาเขาบน่นโอ้ยทำไมนล่งสั่งทำอย่างนี้อะไรแต่เราก็ถือว่าเรจาจะทำก็ทําได้ในโลกอะเราเรามีความสามารถหาอะไมาโดยสุจริตเรามีความรู้ความสามารถแล้วก็หาไปสิหลวงเราไม่ได้ไปโกงใครเนี่ยเป็นอาชีพที่สุจริตพุ่งเจ้าญาติอริยมรตมีองค์แปดอะสัมมาอาชีโวอ่ะพอเราหาโดยสุจริตเราก็หาไสิหลวงทุกอย่างอะคิดชอบคิดชอบพูดชอบกระทาชอบประกอบอาชีพชอบ แล้วก็ทําโดยชอบมันใครว่าอะไรเลียวลงแต่ใจมันไม่ยึดตาคิดอยู่เสมอว่าลูกสิกอยู่เสมอว่าอะไรมันไม่เที่ยงหรยมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงจี่ต้องพัดพลาดจากการไปหมดแลถึงเวลาหนึ่งเมื่อทุกคนพร้อมหมดแล้วครอบครัวก็พร้อมลูกลูกชายลูกสาวลูกชายก็ไปบวมลูกสาวก็แต่งงานมีครอบครัวมีฐานะไปสมบัติทั้งหมดก็ทิ่งให้กับครอบครัวไม่เอาเลยออกมาไม่เอามาตักสลึงหนึ่งไม่เอามาทุกต่างแดงเดียวออกมาห่มผ้า สามผืนสบายแล้วมิบาดใบเดียวมิบาดก็เหลือเฟือเนี่ยเจ้าออกมีตาบาดก็เหลือเฟือแล้วชีวิตแก่เนี้ยฉันมือเดียว เ, เงินทองก็ไม่ต้องไปเอามาสะสมแล้วพอแล้วริมก็สบายแล้วเงี้ยไม่ชีวิตเราก็มีความสุขอยากจะหาก็หาได้หกมีความรู้สามมาหาเต็มที่กำลังออมสามหามาได้ก็เกื้อกูลโลกบ้างช่วยเหลือคนอื่นบ้างทำบุญให้ทานบ้างช่วยเหลือคนอื่นบ้างออย่างพ่อเ น, นี้ยก็เปิดบ้าน ไอคนมาประพฤติปฏิบัติทำเนี่ยเลี้ยงอาหารเลี้ยงอะไรคนที่มาแล้วก็ทำความดีได้เงี้ยหรอกเปิดบ้านเข้าแล้วก็ไอเลี้ยงอาหารคนมาปฏิบัติธรรมอะไรนี่ก็ถือว่าเราหามาได้เนี่ยเราก็มาเกื้อกูลกันอื่นบ้างแต่ไปไม่ได้แล้เงินทองทรัพย์สินเครื่องราชสัญญายบ้านจองที่ดินกลัวไปไม่ได้ต้องทิ้งหมดแต่ลวงตาชิงทิ้งมาก่อนไม่รอให้ธรรมชาติทิ้งไปเดี๋ยวธรรมชาติต้องพลากออกทุกทิ้งลวงตาจริงทิ้งมา ก็ไปเห็นทุกอย่างมันไม่เที่ยงก็ใจไหมเออเราอ่ะใจเราเป็นยังไงใครจะรู้ล่ะหลวงตาขนาดพิจารณาคดีนะหลวงตาก็แอบพิจารณาอยู่ความไม่เที่ยงอยู่ในใจเออมันทําได้สองส่วนนะกายทํางานทั้งโลกก็ทํางานได้ผิดพลาดแต่ใจข้างในเนี่ยก็แอบพิจารณาอยู่ข้างในถึงความไม่เที่ยงไม่เที่ยงเห็นอะไรกับพิจารณแต่ความไม่เที่ยงเอาเปรียบเทียบตัวเรากับข้างนอกข้างนอกกับตัวเราอยู่ตลอดเวลาว่าเออมันไม่เที่ยงเลยเนี่ย มันมีอะไรเป็นเที่ยงเนี่ยยิ่งเกิดเซอร์นามิภาพตายตายกันเป็นเบื่อเน่าเก็บศพไม่สันน้นอ่ะไม่ว่าคนรวยคนอะไรมาตายกันเนี่ยพอเสื้อนามิทีมาตายกองทับถมไม่ว่าคนจะมีอาชีพอะไรตำแหน่งอะไรไม่มีหรอกมันปุ๊บเดียวนะ่ะขึ้นข่าวจะตายนะี่ยไม่มีว่าไม่ว่าจะเป็นยากยากดีมีจนไม่ว่าจะเป็นโยถาบดดาสักชั้นไหนอะ่ะตายได้ทันทีเหมือนกันไม่มีอะไรหรอกความตายเนี่ยมันมาได้ทันทีเลยขนอะไรไปไม่ได้หรือแต่ ความดีกับเชื่อบุญกับบาปเท่านั้นแหละแต่ทำไม่คิดจะไปเอาบุญเอาบาปไปเกิดเป็นอะไรอีกก็จบลงไม่ติดทั้งบุญไม่ติดทั้งบาปไม่ติดถุกไม่ติดทุกข์ก็พ้นทุกข์ไปก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดให้เป็นทุกข์ไปเป็นอมตะไปอืมถ้าเราไม่ปรารถนาจะไปเวียนว่ายตายเกิดให้เป็นทุกข์หายตัวไปอย่างเป็นอมตะเดี๋ยวก็เอาสิเราก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดให้เป็นทุกข์อีกแม่งเกิดอีกก็ต้องทุกข์อีกเกิดอีกต้องมีโลกใหม่ใครเจ็บเกิดอีกก็ไปเกิดเป็นสัตว์ในฉ ไปเกิดเป็นต่างๆในโลกนี้วนไปวนมาทุกยากลาบากกับครอบครัวใหม่ทุกยากกับลําบากกับในสังขารร่างกายใหม่ทุกยากไปแล้วก็ทุกอย่างนั้นอ่ะมากมายไปทุกคพทุกชาติไปมีลูกลูกเหมือนห่วงผูกคอสามีภรรยาเหมือนห่วงผูกศอกสมบัติรับประรฐานบ้านช่องเหมือนห่วงผูกเท้าห่วงสามห่วงเนี่ยลูกสัตว์โลกไว้ไอเวียนตายเวียนเกิดกระดูกกองเชื่อมเท้าภูเขา เวลุมานเนี่ยอูเขาอะไรอูเขาเวลุมานมะอุเขาเะไจําชื่อไปได้ใหญ่โตมโหฬาร น, นี่ยนะแล้วก็น้ําตากัะเนื้อนองดูท้องทะเลมาหาสมุทรในความทุกข์ของสัตว์โลกเวียนตายเวียนเกิดทุกโศกเศร้ากระดูกเราเนี่ยกองเป็นภูเขาเรากาเราดั้งอยู่เนี่ยขุดลงไปใต้ดินเนี่ยจะไม่มีตรงไหนที่ไม่เจอโครกระดูกเราเลยเราเวียนตายเวียนเกิดในโลกไปเนี่ยไปรู้กี่กี่พบกี่ชาติในล่างต่างๆอะ่ะเราก็ร้องไห้มาจนน้าตาไม่รู้เนืน้องเท่าไหร่แล้วความทุกข์ กับความพัดพาดคนที่รักสิ่งที่รักเป็นทุกข์ในโลกความทุกข์กับการพัดพาดสังขารร่างกายตัวเองเป็นทุกข์ในโลกแต่เรพิจารณาแบบนี้ปองกับปองไปไวางปองไปวางใจมันก็ไม่ปาศนาเวียนไหว้ตายเกิดอีกมันก็ปองไปไวางแล้วมันก็วางหมดบึ้มมันก็ระเบิดโลกธาตุจากข้างในออกไปสู่โลกธาตุข้างนอกมันก็ระเบิดเลยโลกธาตุระเบิดออกมาจากใจวันโลกธาตุในใจเราเนี่ยโลกก็คือขันห้าเนี่ยธาตุดินน้ําลมไฟอากาศาธาตุแล้วก็ธาตุวิญญาณธาตุราตุู้ที่มารวมกันมันระเบิดโลลกกาาาออมมะเบิดควง เอาวิชาความโง่ที่จะติดในสังขารร่างกายแล้วเอาตัวเราไปจะติดอย่างอื่นเนี่ยบรเบิดขาดกระเด็นพิณางียเราในเนี้่ทางที่ทางเดินของพระพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายจะเดินทางนี้เยอะคุณน้องพิณานุมากคับ น, นะแต่ปัดของผลอู่ออกจากใจนะให้เหลือแต่โรงไปวางโรงไปวางโปงไปหวา ง, ง, วางอย่าให้มันซึมเศร้าก็ไปแก้ให้มา ร้องห่มร้องไห้ว่าเราจะตายแล้วครอบครัวก็จะต้องตายจากกันแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเราจะต้องหนีจากทุกคนไปแล้วร้องไห้สติแตกหยิบอะไรไม่รู้ตัวเลยหยิบนู่นหยิบนี่วางหยิบนู่นหยิบนี่วางไม่รู้ตัวเลยร้องไห้เพ้อไปงั้นแหละเราจะต้องตายแล้วทุกคนก็ต้องตายครอบครัวก็ต้องตายจากกันเราต้องรีบหนีไปเดี๋ยวนี้แล้วร้องไห้ร้องห่มเนี่ยอุ้ยคนมาตามเราปอ่ะยอาจารไปดูเร็วเร็วเร็วแย่แล้วเนี่ยใครเรียกก็ไม่รู้ตัว เออสติแตกไปแล้วเนี่ยต้องไปแก้ให้ปื้นคืนมาได้อย่าถึงขนาด น, นั้นนะเออเราจะจะ่ า, าถึงอย่าถึงขั้นนั้นเนีะยเออให้มันปลงไปวางปลง ป, ง ป, ง ป, งปล่อยวางปลยวางอะไกันแหละถ้ามันปลงไปยวางไงก็ปลงวางไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยแล้วก็มันมั น, ม, นมันบอกอะไรพอแล้วอย่าไปเชื่อมันบางทีมันมีบางอย่างมาเหมือนกอับพอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าไปเชื่อบุกพินายอีกพิณาอีกพิณายอีกใครมาบอกว่าพอแล้วพอแล้วเหมือน หรือมีเสียงอะไรมาปรากฏหรือว่าในใจบอกว่าพอแล้วพอแล้วอย่าเชื่อมีนิวิตยยังไงมาบอกว่าพอแล้วพิจาณาพอแล้วพิจาณาพอแล้วอย่าเชื่อนะหลงเลยตบพิจาณาอีกพิจนรณาอีกไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออย่างเดียวเลยพิจาณาซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำจนกว่าโลกกระถางจะระเบิดเลยเอหลอกเราดวงตาเคยโดนมาแล้วหลอกแบบเนี้ยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อจนกว่าที่ไม่เชื่อกระทา อ้าวไม่เชื no well, no. ่อพิณาแน่จริงพิณาดิพิาณาได้เหรอกินข้าวอิ่มในเรื่องความตายแล้วจะพิจารณาได้อีกสักคำหนึ่งเหรอกินได้สักคำเหรอว่าเลยเอ้าแน่จริงพิณายดิอออย่างเงี้ยอยู่ทั้งสู้กันไม่ยอนไม่เชื่อไม่เชื่อก็ยังพิณาอีกไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อตลอดอยู่กับโลกกระแทบมันจะระเบิดออกไประเบิดเอาวิชาระเบิดโลกกระแทบภายในกับภายนอกเนี่ยใจเนาะองานพิณายอาเงี้หลงพิณายซ้ำๆครับ